พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองเมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าศูนย์เชื้อเป็นสุขอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่สองวันเสาร์ที่สอง เมษายนพุทธศักราช2559วันนี้จะมีการบวชนากนะบวชพระสององค์มี เ, เป็นข้าราชการทั้งคู่นะข้าราชการเป็นครูโรงเรียนสอนที่น้ำพองเขื่อนอุบลรัฐเป็นครูผู้สอนแล้วอยากจะบวชคงจะบวชลาบวชสามเดือนมั้ง พอทุก ว, วันนี้เขาอนุญาตให้บวชนอกพรรษาบวชได้สมเดือนเหมือนกันเพราะว่าบวชในพรรษาแย่งกันบวชค้าราชการก็เลยทําให้บกพ่องเพราะนั้นให้เฉลีย่ยเฉลี่ยกันบวชบวชในพรรษาก็มีบวชนอกพรรษาก็มีแต่ให้อนุญาตให้สมเดือนเหมือนกันที่หลวงพ่อสทราบมานะแต่รวมกันแล้วก็คือสเดือนนั่นแหละสี่เดือนก็แค่ว่า ก่อนเตรียมการ55วันในเมื่อลาสิกขาไปแล้วก็เตรียมการเตรียมความพร้อมของตัวเองทั้งสุขภาพด้วยทั้งการงานด้วยอีก15วันสรุปแล้วก็คือบวชสมเดือนแถมหัวท้ายอีก2อาทิตย์แถมหัว2อาทิตย์แถมปลาย2อาทิตย์จะเป็นครูบาอาจารย์แต่หนากที่2ก็คือดออรนุชิต นี่ะพ่อแม่เป็นลูกชายของคุณเทิดศักดิ์อาจารย์คุณจินที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาแต่เกา่าแก่ดึกจำบันที่จะาลูกชายคนชุดท้องเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์คนนั้นล่ะตัวที่กรมพลังงานากระทรวงพลังงานกรมทรัพยาก ร, รธรรมชาติไอ้พวกน้ำมัน่ะพวกเชื้อเพลิงอยาก จ, จะบวชก็ดี เป็นการบวชให้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างอื่นพ่อแม่ก็ได้รับแต่พลังทางจิตใจบุญกุศลเนี่ยลูกหลานทั้งหลายควรจะทดแทนพระคุณของท่านพอเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ให้ท่านได้มาเห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย แต่เมื่อบวชแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีอยู่ในศีลและธรรมอยู่ในวิในของพระให้เป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริงนะพระเนรลูกหลานทุกองนะที่บวชเข้ามาไม่ใช่วบวชในเฉพาะวัดหลวงพ่อแนตะ่บวชที่อื่นก็เถอะนะแทนบวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวิถเป็นสากะยะบุตรพอ พอเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ารับว่าเป็นสากยบุตรเป็นบุตรศากกายเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เป็นบุตรของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นผีเลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมดูแลพระลูกพระหลานทั้งหลายแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอยากจะให้พระลูกพระหลานเป็นพระที่พระที่ดีมีคุณธรรมภาพมีคุณธรรม มีศิลธรรมให้เป็นทรัพยากรของประเทศชาติถ้าราลูกหลานปวดเข้ามาแล้วเป็นผู้ท้าอกตั้งใจเป็นคนดีหลวงพ่อเขาพอใจแล้วพอใจในฐานะที่ว่าเป็นพ่อบุญธรรมลูกหลานเป็นพระที่ดีทหาราลูกหลานออกไปแล้วไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไปอยู่ในโอวาน ทำให้เสียหายคืออนนั้นหลวงพ่อรู้สึกว่าเสียความรู้สึกพอให้ลายพอเราตั้งอกตั้งใจแนะนําสั่งสอนลูกหลานด้วยความตั้งใจเลี้ยงดูด้วยความตั้งใจมีอะไรขาดหลืออะไรหลวงพ่อในฐาน ะ, ะเป็นพ่อบุญธรรมหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแลพวกลูกๆทั้งหลายให้เป็นผู้อยู่ในกรอบของศีลธรรมคือพ่อใหญ่ก็คือพระพุทธทเจ้า คือพ่อที่แท้จริงคือพ่ อ, อที่ท่านรับเป็นวิาสา ก, กัจจบุตรนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูถ้ า, าว่ามีอะไรมีแต่ชี้นำชี้แนะในเมื่อท่านทั้งหลายเป็นคนดี เ, เป็นคนดี เ, เหมือนกันพบพระพุทธเจ้าเหมือนกับชี้หนทางนี่นะพวกท่านทั้งหลายเดินทางไปที่นะ ไปแล้วจะไปเจ อ, อบ่อเพชรบ่อพลอยบ่อทองคานะแล้วก็ไปขุดเอาได้แล้วก็นำมาเลี้ยงชีวิตของพวกท่านในพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนแบ่งกับพวกเรามีแต่พวกเราได้ทั้งได้ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันแนะนำสั่งสอนพระลูกพระหลานทั้งหลาย ให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้อยู่หลักในหลักพระัรมวินัยกับพัฒนวินัยรู้ไหมก็ให้ศึกษาตอนมีตำรับตาราอยู่แล้วถ้าว่าสงสัยข้อไหนตรงไหนก็ให้มาถามถามพี่เลี้ยงพระมีหลายระดับอยู่ในวัดของเราแต่นั้นก่อนไม่ถามหลวงพ่อในฐนานะที่ว่าหลวงพ่อเป็นพ่อเป็นหัวหน้าอยู่ในวัดหลวงพ่อพร้อมที่จะชี้แจง แนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้รู้แล้วว่าอันไหนเป็นหลักพระธรรมวินยัยอันไหนเป็นกฎระเบียบอันไหนคือศีลและวินยัยพวกเราขอปฏิบัติตามตรงตามนั้นแหละท่านในเมื่อพวกเราปฏิบัติตรงตามนั้นแล้วนั่นแหละถ้าเขาบอกเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นพระผู้อยู่ตลอดไป ก็เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมนึกดูย้อนหลังของตัวเองก็เป็นที่ภาคภูมิใจว่าข้าบวชเข้ามาตั้งแต่วันบวชเข้ามาจนถึงวันนี้ไม่มีไม่มีจุดด่างพลอยมีแต่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลและวินยัยเราก็จะได้ภาคภูมิใจแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายบวช่วคครั้งชั่วคราวบวชสามเดือนแล้วบวชใครเขาว่าบชทชะตาแล้วก็ศึกไปแต่ถึงยังไง เราก็ยังเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีออให้คิดคานึงไว้อยู่เสมอว่าที่เราเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เราได้ศึกษาธรรมะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนเป็นเหตุเป็นผลอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรคิดไม่ควรคิดอันไหนควรพูดไม่ควรพูดเราก็คงจะรู้แนวทางพอสมควรพอเราเข้ามาศึกษาธรรมะเว้นเสียแต่เราเข้ า, านอน เหมือนกับลิงข้างบางชนออีมานอนอยู่ที่วัดหลวงพ่ออันนั้นก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนะทั้งที่หลวงพ่อชี้หนทางเดินไปทางนี้นะพาลูกพะหลานนะศึกษาอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะออแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้สนใจมันจะไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดไดเนี้ยได้กล่าวพวกเราก็จะได้ เดินไปสู่จุดหมายปลายทางถึงยังไปสู่ที่สุดถึงพระนิพพานตัดกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ก็ยังเป็นถึงจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้เป็นเศรษฐีในระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยก็มีอยู่มีกินหลวงพ่อบอกกล่าวนะคับเพียงแค่ให้มีอยู่มีกินไม่ให้ตนเองเดือดร้อน ตัวนี้เพียงแค่นี้หลวงพ่อกับภาคภาูมิใจยอย่างมากแล้วเพ่ลายเพราะการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานให้เป็นคนมีศีลธรรมนอนะเมื่อออกไปเป็นคราว่าต์ก็นั่นแหะเป็นคนเป็นคราว่าต์ที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเหมือนก็ได้สมบัติอพออยู่พอกินไม่ติดคุกไม่ติดตรางไม่เป็นที่ติชินดินทาของคนในยุคในละแวก บอกผูที่เกี่ยวข้อง เ, ออเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็พอใจแล้วถ้าออกไปกินเล่าหวัวลานา้าเป็นนัก เ, เ, เล่นเสพเคนอันไหนชั่วเอาหมดการพนองการพนันอะไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าเปล่าประโยชน์เข้ามาศึกษาการหลวงพ่อเนี่เปล่าประโยชน์จริงๆอยากให้โทษอีกต่างหากแต่ว่าพวกเราออกไปแล้วปรับปรุง ปรับปงกายใจของตนเองให้เป็นคนดีได้นั่นแหละเหมือนกับพวกเราถึงจะไม่ลํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ยังประคองตัวได้เป็นคนดีมีความสุขทางด้านจิตใจด้วยทรัพย์สมบัติก็พอเป็นพอไปทางจิตใจของเราก็มีความสุขยึดทิทยึดคุณงามความดียึดศึลธรรมอของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เพียงแค่นี้หลวงพ่อขอเป็นที่พอใจแต่บางคนลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมขอถ่ายภาพด้วยหลวงพอว่อบอกเอ้ยลูกหลานทั้งหลายมั่นใจในตัวเองไหมถ้าอยากจะถ่ายภาพว่าหลวงพ่อเนี่ยลูกหลานต้องเป็นคนดีนะอต้องเป็นคนดีถ้ามั่นใจในเป็นคนดีเอ้าหลวงพ่อก็จะให้ถ่ายภาพด้วยไม่ใช่ว่า อยากจะถ่ายภาพหลวงพอ่อพอออกไปแล้วนะ้ไปใส่เข้าใส่กล่องแขนนี่ก้อซ้ออยู่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเน่ยมันขายขีหน้าทั้งอาจารย์ด้วยนะหลวงหลวงพ่อว่านะเออมันขายหน้าอาจารย์นะลูกศิษย์หลวงพ่ออินสอนไม่ดีเห็นไหมเขาใส่กล่องแขนนีอ่อก้มหน้าเฮ็ดซางมเม็ดกอ้ซอซ้อ ย, ยเออไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะถ้าผู้ใดมั่นใจว่าข้าพรเจ้า เบิกหน้าเชิดหน้าชูตาได้จะเป็นคนดีของประเทศชาติเป็นลูกเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่ออินเอามาถ่ายรูปได้หลวงพ่อก็จะให้ถ่ายรูปด้วยพอหลวงพ่อเนี่ยต้องการคนดีเท่านั้นไม่ต้องการคนอื่นถึงจะมั่งมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะล่ารวยขนาดไหนก็เถอะแต่เป็นคนชั่วหลวงพ่อก็ไม่ต้องการต้องการของ คือความตั้งการของหลวงพ่อเนี่ยถึงจะยากจนผม ส, สแสวงหาทรัพย์อยู่ตลงพ่อแต่ว่าผมหาด้วยความบริสุทธิ์แต่มันไม่รวยครับหลวงพ่อเออเอาไม่เป็นไรคงจะเป็นกรรมเก่าของเราพอหลวงพ่อได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยบางคนก็ใช้กรรมกรรมมันคนละอย่างกันนะถึงจะทำอย่างงมันก็ไม่รวย แต่บางคนไม่ได้ทำอะไรมากก็รวยเอา้ารวยเอานะามันเพราะเหตุไรก็พราะเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือกรรมเก่ากรรมเก่าคือการกระทำไว้ในอดีตชาติมันมีปัจจุบันในชาติคือความขยันอดทน อ, อันนี้ก็คือปัจจุบันในชาติผู้ที่ถึงจะไ ง, ถ, งถึงจะยากจนขนาดไหนก็เถอะแต่ปัจจุบันใ น, ในชาติเนี่ยขยันมันก็เป็นไปได้ แต่โดยมากมะยมากความบุญบารมีไม่มีเก่าแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ากันนะความขี้เกียจมันก็เข้ากันมาเข้ากันพอดีนะความขี้เกียจกับความไม่มีบุญวาสนาบารมีเนี่ยมันเข้ากันนะแต่ถ้าบอกคนที่มีบุญวาสนาเก่ากับความขยันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ากันได้อีกเหมือนกัน มันแปลกเองเหมือนกันนะศรัทธาญาติโจมเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามถ้าเรายากจนจุดไหนเราต้องฝืนนะฝืนสู้แล้วก็ฝืนประหยัดเราต้องใช้ปัญญาในการเก็บเก็บหอมรอมริบและพร้อมกันก็นให้สังสมบุญบา ร, รมีให้ทานไปเรื่อยๆออถึงจะไม่มากก็ยินดีให้ทานเขาไปตั้งโรงทานที่ไหนโอ้ผมไปตั้งโรงทานนะที่นู่นเออขอร่วมด้วยหาบาทสิบบาท เพียงแค่นี้แค่ว่าแสดงความเสียสละนั่นแหละบุญกุศลที่ละนิดที่ละน้อยเน่เหมือนกับหยาดฝนตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาใส่ตุ่มใส่โอ่งที่ละหยดที่ละหยาดก็สามารถที่ให้ตุ่มโอ่งนั้นเต็มติ่มเต็มอุ่มเต็มตุ่มเต็มโอ่งได้ในที่สุดเพราะเรามีความใส่ใจสนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ แต่ถ้าว่าเราไม่มีการใส่ใจสนใจอะไรก็เฉยว่าเรายากจนแค่อยากมีแต่หาใส่ปากใส่ท้องมันก็เหมือนกับสัตว์สราสิงช้างม้าวัวควายหมูหม้าเป็ดไก่นั่นแหละมันไม่ได้คิดอะไรมีแต่หาใส่ปากใส่ท้องตัวเองเท่านั้นแหะอิ่มท้องแล้วก็ไปนอนนอนหรือหิวแล้วก็ไปหากินอีกกับลักษณะอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นคืออะไร เพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเกิดมาจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะให้สั่งสมบุญกุศลไวนะ้เนอตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนะมีหลักพิสูจน์ต่งเยอะแยะไปเหมือนกับรราผักพิสูจน์ในการปลูกต้นไม้อย่างนั้นอะ การปลูกต้นไม้วิธีการเกษตรอย่างนี้เขาก็มีวิธีการทดลองทดสอบมากมายวิทยาศาสตร์ทุกขแขนงเขาก็มีการทดสอบทดลองทุกขแขนงในการทดสอบทดลองหลักของพุทธศาสนาท่านก็มีการทดสอบทดลองอีกเหมือนกันนั่นแหละอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดทําำยังไงพระพุทธเจ้าท่านวันนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าอย่าไปคิดไปทางอื่นบังคับอย่าให้มันคิดไปทางอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถ้ามันจะคิดถึงอยากคิดไม่ให้คิดบังคับไม่ใหนะ้คิดนให้มันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเอถ้าเราบังคับได้นเออใจของเราจะรวมรวมรวมเข้ามาแต่ที่แรกมันก็นกระจายไปมันก็หวานแหรลักษณะ่ะไม่รู้ว่ไปหาลูกแขรลูกไหน ข้อแห่ข้อไหนอยู่ในอยู่ในแหพวงแหนั้นอ่ะอไล่ไปทุกข้อแห่เลยเอทุกข้อตะกวที่ตีนแหอพอต่อมาทำไมเาราดึงจอมแหขึ้นมาพอจิ น, นตีนแหมันก็รวมกันขึ้นมาพเพราะเราดึงตีนจอมแหใช่ไหมรวมเข้ามาก็เป็นกลุ่มท่านนะพอมันก่งก็เป็นกระจกอยู่ที่เ อ, อ โคนของแหะหรืว่าเง่าของแหะเราปลายของแหะนะั่นแหะเออมันเป็นกระจุกเลยนะตะกวนะนั่นแหละมันรวมเลยพอมันรวมเสร็จแล้วน่ะเออเราก็จะไปหวานอีกสินะอพอมันรวมเข้ามากัมันอยู่เน่งพออยู่เน่งก็ดูเลยนะดูใจของตนเองพอดูทีนี้มันก็จะสงบเนะน่ง เ, เผอเผยเลยเราอย่งเอาไปใส่เผาไฟเข้าไปแล้วมันหลอมเข้าไปเป็นตะกวตะกวด ต, ตะกวก้อนเดียวกันอีก ลูกแหเหล่านั้นไเอ่มันเป็นก้อนเดียวกันมันเน่งฮงอ่าพอเน่งแล้วมันหนักแน่นแล้วท่านนี่อ่พอหนักแน่นนี่รู้ได้ละรู้ได้เลยว่ากายของเรากับใจของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นอันหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกับกายกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยเห็นได้ชัดนะท่านพอเห็นได้ชัดอยู่นี่ล่ะเรารู้ได้ด้วยตนเองว่า ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยหลักพิสูจน์ะเออตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไอ้ร่างกายเนี่ยตายแน่แน่เท่าถึงจะเลี้ยงคาดนี้ไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยไม่มีใครที่จะหนุมน้อยไปข้างหน้าพอเลี้ยงไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงมาตั้งเจดสิบเอปีเนี่ยเออมีแต่เห็นแต่ความเท่าแก่ชราของตนเองไปเรื่อยๆเออจะเดินไปที่ไหนเดินเหินไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวัง ง, งกงันงันไปเรื่อยเลย จะลุกจากที่นอนก็ต่อหน้นจะเราจะลุกท่าไหนอีกต่างหากเราจะเดินเข้าห้องน้ําเราจะเดินไปยังไงอีกต่างหากนี่แหะเลี้ยงร่างกายคือดูสิอาหารการบริโภคขนมนมเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นมาเลี้ยงเลี้ยงเท่าไหร่คิดว่ามันจะหนุ่มไปข้างหนา้าไห่นะลูกหลานนะขนา้าทศไทาญาติโยมนะเลี้ยงไปทเท่าไร ก, แก็แก่แก่แก่ไปแก่ไปหาอะไรนะร่างกายในแก่ไปหาอะไรนะแก่ไปหาตายนะีต้องตายแน่ แกไปถึงแล้วกันะเหมือนเขาไปถึงจุดจบพขาก็ผักลงเหวนะแล้เอ่อท่นเนี่นี่แหละจุดที่มันตายเนี่ยร่างกายเนี่ยตายแน่นอนนะแต่นามธรรมเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิเราเห็นแล้วนะตัวนั้นหละ่าเนี่ยจะออกจากร่างแล้วท่านเนี่ยออกจากร่างกายของเราไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่หมายเลขมอมันออกจากร่างเนี่ยเรียกว่าหลวงปู่มั่นพท่านเสียงหวา ดวงใจดวงในเป็นนักท่องท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงท่านว่าอยา่างนั้นอีตังหานะตัวยง เ, เกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติเที่ยวไปเรื่อยไปหาเกิดไปเรื่อยอนันะเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายานี่แหละถ้าเรารู้ได้ว่าร่าง ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่เด้นเราศึกษาให้ลึกเข้าไปกว่านั้นเองเลยเนี่ยตัวไหนที่นํามาเกิดตัวไหนที่มันพามาเกิดมันมีอะไรไหมเนี่ยเราต้องศึกษาเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าท่านวิธีการศึกษาเรื่องของใจใจนามผู้รู้นามผูรทำพระพุทธเจ้าท่านบอกชัดเจนที่โคลนต้นโพลวันเดือนหเพนจวนสว่างทันดู มันมาจากไหนใจดวงนี่มันมาจากตัวอวิชชานะตัวอวิชชาคือตัวโง่ถ้ามันโง่เมก่อนมันยังเกิดมาลักษณะอย่างนี้แล้วจะกําจัดมันได้อย่างไรไอ้ตัวความโง่ออกจากใจเนะี่ยท่านก็ใช้ธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยเดีเราต้องศึกษาอีกเหมือนกันนะวิธีการนะพอศึกษาเข้าไปสมาธิปัญญานะขี่้คลายรู้แจ้งเห็นจริง จนถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจิตใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือว่าถอดถอนออกสิ่งไหนที่พาไปว่าเปลี่ยนไหวตายเกิดเหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งเมล็ดข้าวเม็ดนี้เนี่ยมันสมบูรณ์เราได้มาแล้วถ้าเราเอาไปวางไว้แล้วก็ลดน้าเข้าไปดินใน ท, ท, ที่ดินที่ดี มันก็ต้องงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นข้าวแล้วก็ขยายพันธุ์เป็นรวงขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ในนั้นมเมล็ดข้าวพอพระพุทธเจ้าท่านว่ามเมล็ดข้าวมเมล็ดนี้เนะี่ยมันที่ก่อนมันจะขยายพันธุ์ไปนะ่ะมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนี้มันมีเปลือกเปลือกข้าวเปลือกมันก็ต้องมีเปลือกใช่ไ พอมันมีเปลือกแล้วมันก็มีเชื้อเยื่อใยญอะไรของมันอยู่ข้างในเม็ดข้าวเน่ะมีหลายอย่างเท่านั้นถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเอพอในสุดพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเพราะมันมีเปลือกเนี่ะปั่นก็ไปกระเทาะเปลือกมันออกซะอพอกระเทาะเปลือกออกไปแล้วก็เท่านั้นเอาไปขัดแล้วไปนึ่งวันเลือกไปต้มไปนึ่งะไปนึ่งให้มันเป็นอมันให้หมดเชื้อมันเชื้อที่จะพาให้เกิดเป็นนึ่งซะ พอเนื่องเสร็จแล้วมีเป็นข้าวสุกมันเข้าเหนียวเนีใช่ไหมเออเอาไปไปเพาะท่ไหนเอาไปหวานล้งพงนาที่ไหนเอาไปปลูกมันมันเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะเหตอะไรเพราะมันหมดเชื้อนนี่แหะนิพพานังประมังสุญญ์อย่างนิพพานสูนย์ศูนเชื้อเชื้อที่จะพาให้เกิดมันศูนนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นเนี่ยมือในมือมันมันศูนเชื้อที่จะทำรบ ก, กวนให้เราไปเกิดแล้วนะเชื้อมันศูญแล้วมันมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่ความสุขแท่นวดนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละหลักพิสูจน์ของพุทธศาสนามันมีมันมัม น, ม, นมีตามขั้นตอนมาเรื่อยๆนะ คณะสธาญาติโยมพระเนรลูกหลานนะให้ศึกษาจุดนี้เพราะหลักจุดไหนเขาก็ต้องให้ศึกษาทั้งนั้นแหละหลักพระธรรมวินัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะห่วยๆใครจะรู้หมดมันไม่ใช่นะมันต้องศึกษาในรายละเอียดเหมือนกันนะมันลึกมากทีเดียวถ้าว่าเราศึกษาดูแล้วเป็นกฎติกติกาและเป็นกฎเกณฑ์ที่รื้อพบรือชาติจะไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร มันยิ่งกว่าหลักวิชาการอื่นๆในโลก เ, ออเป็นไหนๆหนเยหลักวิชาการไหนก็เถอะวิทยาศาสต์คะแนงไหนก็ เ, อเออถอะถ้าว่ามาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาแล้วมันคนละเรื่อง ก, กันเลยเพราะพุทธศาสนาเนี่ยสอนออให้รือ้อภพรือชาติไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการในว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรามังสูญอย่างนิพพานศูนย์ศูนที่จะทําให้เกิดน่นเป็นเสื้อออกไปในศูนย์หมดนะเพราะนั้นในพวกเราศึกษานะนี่แหละในหลักทำคําสอนของพุทธาวาตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกอพอเกิดอะไรพ า, พาไปเกิดอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวให้ฟังเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร น, น, นะจ๊ะนนยนะ